วันนี้วันมาคาบูชาเมื่อวานมีโยมมาถามธรรมะสอดคล้องกับวันมาคาบูชามากเลยสามีภัญญาสามีมาถามบอกว่าการภาวนาที่ว่าต้องเป็นกลางนะหมายถึงไม่ทำดีไม่ทำชั่วใช่ไหมแต่ดีก็ไม่ทำชั่วก็ไม่ทำนี่แสดงว่าเป็นกลางใช่ไหมไม่ใช่นะควรเรื่องเลย พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องความเป็นกลางแบบนั้นท่านสอนบอกว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมฝึกจิตฝึกใจนะทำจิตให้ผ่องแผ้วดีลงกันกันกบโอวาทปฏิโมกเป็นกลางไม่ใช่แปลว่าไม่ทำอะไรเลยดีก็ไม่ทำชั่วก็ไม่ทำเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำภูมิจิตภูมิธรรม ของคนทั้งหลายที่ไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจิตทํางานตลอดไม่ปรุงดีก็ปรุงชั่วนะปรุงไปเรื่อยแหละบางทีก็ปรุงเฉยๆแบบไม่ดีไม่ชั่วนะแต่ถ้าลงปรุงแล้วจิตเข้าไปเสวยอารมณ์นะไม่ดีก็ชั่วส่วนใหญ่งั้นยังไงก็ปรุงไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์มีกิริยาจิตจิตไม่ปรุงดีไม่ปรุงชั่วไม่เสพอารมณ์ไม่ดีไม่ชั่วนั้นท่านเป็นกลาง เราคนละภูมิกันกลางแบบนั้นไม่ได้กลางของเราเนี่ยหมายถึงยังไงัแรกเลยต้องไม่ทำชั่วกันไม่ทำบาปอากุศลเริ่มแต่ทางกายทางวาจาส่วนบาปอากุศลทางใจก็คือความเห็นผิดบาปอากุศลทางกายทางวาจา อ, อยู่ในศีลห้านั่นแหละบาปอากุศลทางใจก็ส่วนตัวหลักเลยคือความเห็นผิ ด, ผ, ด, ผ, ดผิดทานองคลองทาผิดศีลผิดธรรม เห็นผิดว่าตัวเรามีจริงๆเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวสุขบังคับได้เป็นของเที่ยงก็เห็นผิดเห็นผิดว่าอดีตไม่มีอนาคตไม่มีเห็นผิดว่าตายแล้วเกิดตายแล้วดับศูนพวกนานาชนิดของความเห็นผิดเห็นผิดว่าไม่ต้องทําอะไรเลยทุกอย่างดีอยู่แล้วนี่ก็พวกเห็นผิด ความเห็นผิดมีนานาชนิดนึดเห็นผิดว่าสิ่งต่างๆเกิดมาโดยไม่มีเหตุนะเนี่ยเหตุตุกาทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วความเห็นผิดเรามีเยอะแยะเลยไม่ทําบาปทั้งปวงนะก็ต้องข้ามพ้นการทําผิดทางกายทางวาจาให้ได้ทางกายทางวาจาเรามีศีลนนะทางใจเนี่ยข้ามพ้นความเห็นผิดได้ด้วยปัญญานะใช้ปัญญา ปัญญาเกิดลอยๆไม่ได้ต้องมีสมาธิหนุนหลังเลยต้องมีทั้งศีลมีสมาธิมีปัญญามีศีลก็มีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นทอดทอดไปแม้อากุศลจะล้างได้ก็ด้วยอาศัยกุศลไปล้างล้างของสกโปรกได้ด้วยน้ําที่สะอาดไม่ใช่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปตามยาถากรรมไม่ใช่เพราะนพวกเราชาวพุทธต้องตั้งหลักให้แม่นๆ สำรวจใจตัวเองไปอกุศลอะไรยังไม่ละนะอกุศลอะไรยังเกิดแล้วมีอิทธิพลครอบงำจิตใจสำรวจเอาอกุศลอะไรยังไม่มีสำรวจเอาศีลมีหรือยังสมาธิมีหรือยังปัญญามีหรือยังยังไม่มีก็สำรวจรู้แล้วก็มาพัฒนาทำเหตุให้ตรงกับผลศีลเกิดจากเจตนางดเว้นใากเจตนาวิรัตสมาธิ ความตั้งมั่นเกิดจากจิตมันมีความสุขมีความสงบอยู่ในอารามณ์เดียวนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งใช้ทําสมถะสมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูปรากฏการทั้งห ล, หลายไหลผ่านหน้าไปเฉยๆนี่สมาธิชนิดที่สองเอาไว้เดินปัญญาไว้ทํำมิปัสสนาแล้วก็มาสํารวจเรายังไม่มีอะไร ใจฟุ้งตลอดปีตลอดชาติฟุ้งสเปรสปลาไปเลยก็ต้องทําสมาธิชนิดที่หนึ่งมาช่วยอยู่กับพุทโธอยู่อารมหายใจอะไรเนี่ยให้จิตมันได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขมันก็จะสงบเพิ่นมาไม่ฟุ้งไปไม่ฟุ้งไปแล้วมาสํารวจอีกมีสมาธิชนิดที่สองไหมจิตตั้งมั่นไหมสงบกับตั้งมั่นไม่เหมือนกันสงบนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อนหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนิ่งๆอยู่งั้น สมาธิตั้งมั่นเนี่ยจิตตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งนะแต่อารมณ์เป็นล้านเลยอารมณ์กี่อารมณ์ก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน้หมุนเวียนทางอายตนะต่างๆหมุนติ้วเตี้ ต, ตีอยู่ตลอดเวลาใจก็คิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาแต่จิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่สมาธิชนิดที่สองนี่จิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์นับไม่ถ้วงนี่สมาธิความตั้งมั่นมีปัญญาไหมเนยมีปัญญาไหม ได้เห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของรูปของนามไหมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ายังไม่มีปัญญายังไม่เห็นจะต้องทําเหตุของปัญญาเหตุของปัญญาคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะทําให้เกิดปัญญาวิปัสสนาแปลว่าการเห็นถูกเห็นจริงเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงปัฏณนะการเห็นเห็นตรงความเป็นจริงเห็นได้อย่างยอดเยี่ยมเลย จะเห็นตรงตามความเป็นจริงได้ต้องไม่เข้าไปแทรกแซงต้องไม่ลืมเห็นอะไรตามความเป็นจริงต้องเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจของตัวเองนั่นแหละสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราตัวเรานะ hmm. เราทำวิปัสสนาเรามาเจริญปัญญาเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรา oh. แล้วเราก็มาดูสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเราร่างกายนี้เราเคยคิดว่าเป็นตัวเรามาดูซิ mm. ว่าจริงๆเป็นไหมความรู้สึกต่าง ความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ก็เคยรู้สึกว่าเราโลภเราโกรธเราหลงเราสุขเราทุกข์มาดูของจริงซิว่าโลภโกรธหลงความสุขความทุกข์อะไรเป็นเราจริงไหมจิตเราเคยรู้สึกว่าจิตเป็นเราใครรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ก็เราตอนเด็กๆเป็นเราคนเดิมนะรู้สึกอย่างนั้นเลยเราคนนี้ก็เราอดีตก็คนเดิมเราคนนี้ก็เรานอนาคตก็คนเดิม่เห็นว่าเป็นเราเห็นว่าจิตใจเป็นเรา มาดูความจริงดูให้เห็นความจริงจิตเองเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ไปเกิดที่ใดก็ดับที่นั้นแล้วจิตที่เป็นสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตที่เป็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตเฉยๆเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วดับจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วดับหมดเลยเนี่ยจะเห็นอย่างนี้เลยต่อไปก็เห็นในจิตทั้งหมดเราเกิดแล้วดับ บังคับไม่ได้นะไม่ไม่มีตัวเราที่แท้จริงไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะถาวร อ, อย่างพวกเรารจะรู้สึกว่าในนี้มีเราคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเราเปลี่ยนแปลงแต่เรารู้สึกเราเป็นคนเดิมเรายังเป็นคนเก่านะอย่างบางคนอายุ 60-70 เนะก็ยังรู้สึกว่าตอนที่เราเป็นเด็กหญิงเด็กชายก็ยังเป็นคนเดิมกับค น, คนปัจจุบันนี้แหละนะทั้งทั้งที่เห็นอยู่นะร่างกายมันไม่ใช่คนเดิมร่างกายมันเปลี่ยนไปแล้ว เนี่ยยังรู้สึกอยู่ว่าจิตเป็นคนเดิมนะการเห็นร่างกายไม่ใช่คนเดิมนะดูง่ายเพราะร่างกายนี้มันแปรปรวนให้ดูเป็นของหยาบดูง่ายแต่จิตใจนะั้นเป็นของละเอียดเป็นของประณีตจิตของเด็กกับจิตของคนแก่ก็เป็นธรรมชาติรู้เหมือนเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันเลยนะจิตทั้งหลายก็เหมือนเหมือนกัน <S <S ดูยากว่าไม่ใช่คนเดิมน่เราจะรู้สึกว่าในตัวเราเนีมีคนเดิมอยู่ดูอยู่ตลอดเวลา ก็ต้องมาเจริญปัญญาให้เห็นเลยจิตนะนานาชนิดเลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหมดเลยเ <c oughs> วลาดูดูเป็นคู่คู่คนไหนขี้โมโหเอาจิตกโกรธมาเป็นอารมณ์กรรมฐานจะเห็นเลยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายทั้งวันมีแต่โกรธแล้วก็หายโกรธแล้วก็หายเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างนี้คนไหนขี้โลภอยากตลอดวันเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้เอาจิตโลภมาเป็นอารมณ์กรรมฐาน ดูไปจิตทั้งวันเลยมีแต่เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภนะคนไหนฟุ้งซ่านมากาจิตฟุ้งซ่านม า, ปานเป็นอารมณ์กรรมฐานนะเดี๋ยวก็ฟุง้งเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งมากเดี๋ยวก็ฟุ้งน้อยเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยดูไปเงี้ก็เห็นนะจิตเขาเกิดดับไม่ว่าจิตชนิดไหนนะเกิดดับหมดเลยคนไหนดูสังขารคือสิ่งที่ประกอบปรุงแต่งจิตไม่ออกดูเวทนาก็ได้ เช่นจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้จิตที่เฉยๆอยู่เกิดแล้วก็ดับหรือดูอิงกับอายตนะก็ได้จิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับหรือดูอยู่ที่ใจอันเดียวอย่างได้เลยดูอยู่ที่ใจอันเดียว เดี๋ยวก็เป็นจิตรู้จิตรู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตคิดจิตคิดเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตรู้เนี่ยอย่างนี้เราเห็นจิตนะไม่ใช่ดวงเดียวไม่ใช่มีจิตดวงเดียวรวดตั้งแต่เด็กมาจนป่านนี้ก็เป็นจิตดวงเดิมไม่ใช่มันเป็นการยากมากเลยที่เราจะเห็นความเกิดดับของจิตงั้นคนทั่วๆไปอยปจะคิดว่าจิตเป็นอมตะเราเคยได้ยินมานานพวกเราอย่างคนที่เชื่อเรื่องเรียนไบไตเกิดเราเชื่อว่าร่างกายนี้ตายนะ แต่จิตไม่ตายจิตดวงเดิมเลยออกจากร่างไปเกิดใหม่เนี่ยเพราะมองไม่เห็นความเกิดดับของจิตก็เลยเป็นว่าคิดเป็นคนเดิมไปเกิดเหนะมียนว่ายตายเกิดไปเรื่อย ง, งั้นไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะคือตัวเรานี่แหละเป็นอมตะอยูนะ่ร่างกายตายก็ตัวเราจิตดวงนี้แหละออกจากร่างไปเกิดใหม่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงมากๆเลย พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้แต่ว่าพวกเราที่แกว่งป้ายว่าเป็นชาวพุทธเราเชื่ออย่างนี้เยอะเป็นส่วนใหญ่เลยเชื่อว่าตายแล้วก็จิตดวงเดิมไปเกิดถ้ามหัดทำมิปัสนากรรมฐานจะล้างความเห็นผิดตัวนี้ได้เราจะเห็นว่าจิตทุกดวงเกิดแล้วดับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกเกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตชั่วเกิดแล้วดับจิตที่เป็นรู้ตัวรู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นตัวคิตเกิดแล้วก็ดับจะเห็นเป็นคู่คู่ไป ไปคู่กันไปเรื่อยมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีมมมนะนี่แหละเรียกว่าเห็นเกิดดับเช่นจิตโกรธเกิดขึ้นแล้วก็จิตโกรธ ด, ดับไปก็เห็นเกิดดับเรืนะ่อเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยนะเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ clay. ถ้าล้างความเห็นผิดได้ใจไม่ค่อยยึดถือนะค่อยๆ ค, คลายความยึดถือในรูปในนามไปมันไปยึดถือรูปนามว่าเป็นตัวเราของเรา เพราะมันเห็นผิดเราทำวิปัสสนากเพื่อล้างความเห็นผิดเนี่ยใจเราถ้าล้างความเห็นผิดได้นะเราได้กุศลชั้นเลิศเลยเพราะกุศลใดประกอบด้วยสติปัญญาเป็นกุศลอันใหญ่กุศลใดมีแต่สติไม่มีปัญญาเป็นกุศลเล็กๆเป็นะกุศลเล็กๆน้อยๆอยากเวียนเทียนมีไหมมีปัญญาไหมมีเหมือนกันนิดๆหน่อยๆยังดีกว่าอยากไปทำชั่วอะไรเงี้ยนะ ในตอนไปเวียนเทียนจิตใจสงบไหมใจสงบใช่ไหมเบิกบานมีความสุขอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นกุศลแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาชั้นเลิศไม่มีวิปัสสนาปัญญาไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามนะงั้นถ้าบุญใดมีปัญญาเห็นความเกิดดับของรูปนามได้เป็นบุญใหญ่เพราะบุญชนิดนี้ชนิดเดียวนี้แหละนะเป็นบุญระดับนี้ถึงจะพาเราข้ามภพข้ามชาติได้ถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานได้ ลำพังบุญทั่วทวไปพาไปไม่ถึงนิพพานพาเวียนตายเวียนเกิดไปในภพภูมิที่ดีนั้นได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมเป็นแล้วยังทําชั่วได้อีกก็ลกลับมาเวียนอีกยังต้องมีปัญญาถึงจะข้ามพ้นไปได้ถึงจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์ได้พระเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาเกิดลอยลอยไม่ได้ต้องมีศีลมีสมาธิเป็นฐานรองรับนะ มมีงานต้องทำเยอะแยะไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยความชั่วไม่ต้องละความดีไม่ต้องทำจิตไม่ต้องฝึกไม่ใช่ต้องละความชั่วสำรวจดูความชั่วอะไรมีอยู่ในใจสำรวจดู <S <S ถ้าเรามีสติจริงๆความชั่วเกิดขึ้นที่จิตสติระลึกรู้ได้จริงๆนะความชั่วจะดับอัตโนมัติเลยมันอยู่ไม่ได้หรอก <S <S ความชั่วเหมือนความมืดนะเป็นความมืดสติเหมือนแสงสว่าง จุดไฟสว่างขึ้นมาความมืดก็หายไปนะอัตโนมัตนะิงั้นเราคอยรู้ทันจิตนะกิเลสอะไรเกิดที่จิตเรารู้ทันกนะิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนี่เป็นศีลชั้นดีเลยนะก่อนที่ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนะเราต้องมีศีลตั้งใจไว้ก่อนศีลจงใจไว้ก่อนเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนนะกระทั่งสมาธินะเบื้องต้นก็ต้องจงใจปฏิบัติก่อน แข็งไปหน่อยนึงไม่เป็นไรนะน่ไม่ใช่แข็งทั้งปีนะปัญญาเบื้องต้นก็ต้องจงใจก่อนเช่นจิตมันรู้ตัวแล้วก็เฉยอยู่งั้นก็ต้องจงใจค้นคว้าพิจารณาในธาตุในขันช่วยมันคิดก่อนเนะี่ยงั้นเบื้องต้นนะถ้ายินศีลอ่อนศีนเรายังอ่อนเราก็ต้องจงใจรักษาศีนก่อนตื่นนอนขึ้นมาตั้งใจวันนี้จะรักษาศีนห้ากลางวันก่อนจะไปกินข้าวตั้งใจรักษาศีลห้านะเผื่ออะไร เผื่อสำลักข้าวตายมีน้ะมันใช่ไม่มีหลวงพ่อเคยรู้จักคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ครัวอยู่วัดสายโลวงปเทศนี่แหละแข็งแรงนะเสียงดงังดังเสียงแกเนี่ยอยู่เชิงเขานะั้นแว่แวไปถึงยอดเขาได้เนะเสียงขนาดนั้นนะดังมากเลยเอาลูกมาบวชเนด้วยนะแล้วตัวเองมาทำครัวอยู่ด้วยนะวันนกินข้าวแล้วสำลักข้าวตายเฉยเลยแค่นั้นก็ตายแล้วสำลักข้าวก็ตายแล้ว งั้นเราต้องตั้งใจไว้นะตั้งใจรักษาศีลตื่นนอนมันก็ตั้งใจไว้เผื่อบรรณีจะตายกลางวันก่อนจะไปกินข้าวตั้งใจเราจะรักษาศีลตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะไปโกรธไปด่าแม่ค้าเนี <c oughs> <c oughs> ๋ยวจะไปด่าคนที่มาตัดหน้าแซงคิวเราอะไรอย่างเงี้ยนะตั้งใจไว้ก่อนก่อนนอนนะตั้งใจไว้อีกสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเผื่อนอนแล้วไม่ได้ตื่นไมได้ตายไปกับศีล ก็ตั้งใจอย่างนี้ไว้ก่อนสีลที่ตั้งใจรักษาเนี่ยเป็นสีนลำบากอยู่ก็พร่องกับแก่้งเราก็ค่อยๆมาพัฒนาเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนแ้วค่อยๆมาพัฒนาการรักษาสีนให้เข้มงวดขึ้นด้วยการรู้ทันจิตตัวเองไว้กิเลสเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตรู้ทันคนทำผิดสีลได้เพราะว่ากิเลสครอบงาจิตถ้ากิเลสครอบงาจิตไม่ได้ทาผิดศีไม่ได้เด็กขาดทาผิดศีลไม่ได้ ถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิตนะไปเหยียบตัวอะไรตายยังไม่บาปเลยนะไม่ไม่มีผลมากในสมัยพุทธกาลนะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งนะท่านตาบอดที่ท่านตาบอดเพราะท่านทำความเพียรมากท่านตั้งใจไว้ตลอดทารษานี้จะไม่นอนปรากฏว่าพอเริ่มเข้าพรรษาไม่นานนะตาเจ็บหมอก็มาให้ยามาตรวจบอกต้องนอนหยอดตามอบยาไว้ให้ ท่านบอกเดี๋ยวท่านหยอดเองท่านหยอดเองท่านนั่งหยอดนะั่นไม่ค่อยจะเข้าตาหมอมาตรวจทีหลังนี้ทําไมอาการหนักขึ้นเรื่อยๆนะซักไปซักมาท่านค่อยบอกว่าท่านไม่ยอมนอนหยอดตาหมอบอกอย่างนี้ผมเสียชื่อเสียงนะท่านอย่าไปประกาศนะว่าผมเป็นคนรักษาผมเ ล, เลิกแล้วไม่เกี่ยวกันท่านก็มัดนึกในใจหมอไม่รักษาเราแล้วไม่รักษาก็ช่างมันเถอะตานี่ทิ้งมันไปเลยจะขอภาวนาลูกเดียวเลย ท่านภาวนานะบรรลุพระอราหันต์พร้อมกับตาบอดชื่อพระจักคูปาละพระจักคูบาลท่านตาบอดนะแล้วก็เวลาท่านเดินจงกรมท่านไม่เห็นนะท่านเหยียบมดเหยียบมแมลงอะไรเนี่ยตายพวกพระปุถุชนนะไปฟ้องพระพุทธเจ้าค่อนขอดนินทาท่านบอกพระแก่รูปนี้ไม่ได้เรื่องนะตอนยังหนุ่มอ ย, อยู่สงสัยขี้เกียจไม่ภาวนา ตาบอดเลยเกิดจะมาขยันมาเดินอยู่ได้เหยียบมแมลงตายบาปเยอะแยะเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกพระจักคุบาลมาถามว่ารู้ไหมว่าเหยียบมแมลงไม่ทราบไม่ทราบพระเจ้าค่ะท่านก็ถามพวกที่มาฟ้องว่าเวลาพระจักคุบาลเหยียบแมลงเนี่ยพวกท่านเห็นไหมพวกไม่เห็นผมไม่เห็นตอนที่พระจักคุบาลเหยียบงั้นท่านบาปด้วยไหม ไม่บาปเพราะผมไม่ได้เกี่ยวผมไม่เห็นบอกพระจักคุบานก็ไม่เห็นแล้วทำไมร่างกายใช่หไหมนี่ตำมามจะลึกนิดหนึ่งนะแต่ในตําราจะไม่มีก็ร่างกายพระจักคุบาลเป็นคนเหยียบร่างกายของพระอื่นที่พระพุทธเจ้าถามไม่ได้เหยียบต่างคนต่างไม่เห็นแล้วบอกว่าไม่บาปเท่าเท่ากันจริงๆไม่ใช่ร่างกายพระจักคุบานแนละ้เป็นทา่าเป็นขันที่มันเดินเท่านั้นเอง จริงๆท่านพ้นไปแล้วพ้นไปแล้วนี่ใจที่มันพ้นอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่บาปละแต่ถ้าใจยังไม่พ้นอย่างนี้มันยังบาปอยู่เจือด้วยเจตนานี่พวกเรารักษาศีลนะจงใจเบื้องต้นจงใจไว้ก่อนแล้วถัดจากนั้นรักษาใจรักษาใจถ้าใจไม่บาปนะศีลไม่ผิดหรอกกิเลสไม่ครอบงำทำผิดไม่ได้ทำบาปไม่ได้จะเป็นกิริยาล้วนๆเลย เช่นเดินเดินไปเหยียบมดตายนี่ไม่ได้เจตนาไม่เป็นบาปอะไรที่ร้ายแรงถ้าเป็นก็เป็นเล็กน้อยเรียกกระตัดตากรรมเล็กน้อยมากๆเลยเล็กน้อยจนแทบไม่มีนัยยะหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังที่มีพระางหนึ่งท่านเหยียบผ้าแล้วเข็มนะไปถูกตัวเลนเล็กๆตายท่านไม่เห็นหรอกท่านไม่ได้เจตนาเอาเข็มไปแทงตัวเรนตาย นี่ตัวเลนนี่ตายแล้วไปเกิดเป็นคนนะเป็นเกิดเป็นในพรานนพราาวนี้ก็อยู่มาจนแก่เลยนายพรานนี่มันก็หนุ่มวันหนึ่งท่านเดินไปในปา่านายพรานนี่มันก็ถือห อ, อกมาเดินมาพอท่านเห็นพรานนี้ถือห อ, อกมาท่านรู้สึกเสียวไส้เดี๋ยวมันเอาห อ, อกมาแทงเราหรือเปล่าก็ไมร่รู้พวกบ้าบา้มีนะเจอพร้าไม่ได้แทงจริงมีนะอย่างบางคนเจอภาษาริบุนไปตีหัวท่านเล่นนะมีตีแล้วถ้ท่านไม่กลรธแล้วใส่บาดรู้สึกเลื่อมใส แบบนี้ก็มีนะประหลาดมนุษย์จริงๆเลยพรานี้ก็กลัวเขาจะแทงนะนนก็หลบไปหลังต้นไม้เข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ไอ้พรานนี่มันเดินเอ๊ะเมื่อกี้เห็นพระนะพระหายไปไหนสงสัยพระกลัวว่าเราถือหอกนะอย่าถือมันเลยว่าพุ่งไปเสียบต้นไม้ดีกว่า <c oughs> ไม่เสียบในต้นไม้นะเสียบเอาพระเข้านะเนี่ยกรรมเล็กน้อยให้ผลกระตั้งกรรมไม่ได้จงใจนะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้จงใจฆ่าท่านเหมือนกัน กรรมเล็กๆน้อยๆพวกเราทําไมไม่รู้สึกว่ากรรมเล็กน้อยอย่างนี้เรียกกตัดตกรรมคือถ้าเป็นกรรมที่ไม่เจตนานะเป็นกรรมเล็กน้อยองค์ประกอบมันไม่ครบถ้าองค์ประกอบครบแล้วก็เป็นกรรมหนัก น, ะนี่เบื้องตอนเรารักษาศีลโดยการรักษาจิตจิตเราไม่เจตนาทําชั่วบางทีกายวาจาพลาดพลั้งไปก็เป็นกรรมไม่มากอะไม่มาก ก็รักษาจิตถ้ารักษาจนชำนิชำนาญเนี่ยศีลจะบริสุทธิ์ขึ้นมานะต่อไปเราก็มาฝึกสมาธิเบื้องต้นจงใจไว้ก่อนใจจะชอบหนีไปเที่ยวที่โน้นที่นี้จงใจไว้ก่อนจงใจอยู่กับพุทโธจงใจอยู่กับลมหายใจจงใจไว้ก่อนนะอย่าไปเริ่มต้นบอกว่าทุกอย่างว่างเปล่าไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยศีลยุ่ไม่มีสมาธิก็ไม่ ม, ม, ม, มีปัญญาก็ไม่มีต้องทําไว้ก่อนการทําเรียกว่าพบนะการทํา การทำงานของใจแล้วก็พบศีล ส, สมาธิปัญญาต้องเกิดในภพไม่เกิดนอกภพเด็ดขาดดังนั้นต้องทำภพที่ดีขึ้นมาดังนั้นจงใจจิตฟุ้งซ่านนะก็จงใจอยู่กับพุโทโธจงใจอยู่กับลมหายใจจงใจอยู่กับท้องพองยุบอยู่ในรมที่มีความสุขต้องเลือกคนอื่นเขาพุโทโธแล้วเขามีความสุขนะเขาพุโทโธได้ถ้าเราพุโทโธแล้วอึดอัดเราก็อย่าพุโทโธเราไม่ใช่อย่างอื่น บางคนดูท้องผ่องยุบมีความสุขเขาก็ใช้ท้องผ่องยุบได้เราดูท้องผ่องยุบเราเครียดเราก็ไม่เอาไปใช้อย่างอื่นกรรมฐานมีทั้งเยอะทั้งแยะรู้จักเลือกกรรมฐานที่มีความสุขหาอารมณ์ที่มีความสุขนะมาเป็นเหยื่อลอดจิตนั้นะต้องจงใจไปก่อนนะจงใจปฏิบัติก่อนอยู่กับพุทธโธแล้วมีความสุขจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตก็สงบได้สมาธิชนิดที่หนึ่งสมาธิสงบนะอยู่กับลมหายใจจิตสบายไม่หนีไปที่อื่นได้สมาธิสงบ ดูท้องผ่องยบแล้วจิตสบายจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่กับท้องได้สมาธิชนิดที่หนึ่งคือความสงบต่อไปก็มาฝึกต่อจงใจให้มีสมาธิชนิดตั้งมั่นบางคนนะตั้งมั่นง่ายเพราะว่าเคยตั้งมั่นมาก่อนเคยมีพระมาะเล่าให้ฟังเมื่อตอนท่านวัยรุ่นท่านไปงานลอยกระทงเขาจุดพลุนะท่านไม่ทันระวังเขาจุดพลุเปลี่ยนขึ้นมาใกล้ๆท่านนะท่านตกใจ ท่านตกใจแนละ้วสติมันเห็นเลยระลึกรู้เห็นจิตที่ตกใจจิตตั้งมั่นเด่นขึ้นมาเลยอย่างนี้ก็มีบางคนไฟไหม้ไฟไหม้ใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยตกใจแลตกใจสติระลึกปุ๊บเห็นความตกใจนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยสังเกตดูพวกที่ขึ้นมาตอนเด็กๆสติตั้งมั่นจิตตั้งมั่นขึ้นมาตอนเด็กๆส่วนใหญ่จะกระทบอารมณ์ที่แรงกระทบความโกรธแรงๆอนะไรเงี้ยความกลัวแรงๆ จิตมันจะดีดตัวพผางขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาอันนี้สําหรับคนที่เขาฝึกมาแต่ชาติปางก่อนนะเขามีอย่างนี้เขาขึ้นง่ายบางคนขึ้นยากขึ้นยากต้องช่วยมันมหัดพุทโธมหัดหายใจอะไรเหมือนที่หัดทําสมถะนั่นแหละทําความสงบนั่นแหละแต่ว่าค่อยๆสังเกตไปพุทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะอย่างนี้หรือหัดรู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยก็เห็นเอง ลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นอย่างนี้ดูท้องพองยุบก็เห็นอีกร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดอย่างนี้เรื่อยๆนะพอหัดว่าอนน้นก็ถูกรู้อันนี้ก็ถูกรู้จิตเป็นคนรู้นะฝึกไปเรื่อยจิตมันค่อยแยกตัวออกมาเป็นคนดูได้ฝึกอย่างนี้นี่เราทำเบื้องต้นก็จงใจไว้ก่อนจงใจช่วยมันคิดพิจารณาว่าร่างกายที่หายใจออก ของถูกรู้ร่างกายที่หายใจเข้าก็ของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้นี่หัดอย่างนี้เรื่อยๆไปฝึกเรื่อยไปหรือร่างกายพองร่างกายยุบเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ฝึกฝึกไปฝึกไปจิตผู้รู้จะแยกออกมาได้ หรือบางคนใช้วิธีที่รวบรัดกว่านนั้นอีกนะวิธีเห็นไหมวิธีเยอะแยะเลยถ้ารู้หลักแล้วนะง่ายไปหมดเลยอะไรๆก็ใช้ได้หมดเลยคล้ายๆวิชานินจานะบอกใช้ทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเลยนะถ้าภาวนาเป็นแนละ้วก็ทุกอย่างเอามาทํากรรมฐานได้สารพัดเลยอย่างบางคนนะแค่รู้ทันว่าจิตไปคิดนะจิตรู้ก็เกิดแล้วนะนี่หลวงพ่อแนะนําให้พวกเราใช้ตัวนี้จะง่ายหน่อยนะไม่ต้องอ้อมค้อมไปตัวอื่นไกลถ้าถ้ารู้ทันจิตที่คิดไม่เป็นนะ ก็ค่อยไปดูร่างกายนั่งอยู่ถูกรู้ร่างกายยืนเดินร่างกายหายใจออกหายใจเข้าถูกรู้ค่อยผัดอย่างนั้นนะถ้าจะเอาย่อๆนะเอาง่ายๆเลยจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตนี้ไปคิดเรารู้ฝึกนี้บ่อยๆทันทีที่รู้ว่าจิตนี้ไปคิดจิตรู้จะเกิดเพราะอะไรเพราะจิตรู้กับจิตคิดเป็นสิ่งตรงข้ามกันนะงั้นเราฝึกนะพอเราได้รู้ทันว่าจิตไปคิดปุ๊บจิตรู้เกิดติดผางขึ้นมาเป็นคนดูเลยเนี่ย ต่อไปมันจะขึ้นมาเรื่อยๆมันเคยขึ้นมาแล้วตัวรู้นี่เคยโผล่แล้วอย่าไปจงใจให้มันโผล่ะนะแค่จิตห น, นีไปคิดแล้วรู้บ่อยๆต่อไปตัวรูมร้มันโผล่เองมันก็จะรู้เด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันนะโดยไม่ได้เจตนาเห็นไหมเบื้องต้นเจตนาไว้ก่อ น, นฝึกไปฝึกไปไม่ต้องเจตนาแล้วเบื้องต้นเจตนารักษาศีลต่อไปฝึกจิตไปเรื่อยนะรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตไม่ต้องเจตนาแล้ศีลเกิดเบื้องต้นเจตนาน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวได้ความสงบขึ้นมา ไปจิตชนานาญจิตมันน้อมไปเองไม่ต้องน้อมบางคนน้อมมากไปนะน้อมสงบทั้งวันเลยไม่ยอมทำมาหากินเลยไอ้อย่างนี้มากเกินไปจิตมันติดมากเกินไปแล้วนะเบื้องต้นก็มาฝึกจิตไหลไปคิดแล้วรู้หรือแยกแยกไปอันนี้ของถูกรู้อันนี้จิตผู้รู้ร่างกายเป็นของถูกรู้เวทนาเป็นของถูกรู้สังขารเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้นี่ก็แยก ได้ตัวรู้ขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิชนิดที่สองนะหรือรู้ทันจิตที่หลงไปคิดก็จะได้สมาธิชนิดที่สองคือความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาฝนะึกถัดจากนั้นมาเดินปัญญาบางคนพอจิตผู้รู้แยกออกไปนะเห็นขันกระจายตัวออกเลยนะพอผู้รู้ตั้งมั่นปุ๊บขึ้นมาเห็นขันแยกตัวออกไปเลยร่างกายส่วนร่างกายเวทนาส่วนเวทนาสัา ง, าสสางขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตเนี่ยเห็นกระจายตัวไปเลย แล้วก็เห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเห็นเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทั้งหลายสักแต่ว่าเวทนาความปวดเกิดขึ้นก็เห็นแค่แ ว, ว่าความปวดมันเกิดไม่ใช่เราปวดนะความสบายเกิดขึ้นก็เห็นว่าความสบายเกิดขึ้นไม่ใช่เราสบาย เห็นสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิด um, ขึ solo, no, ้นก็เห <Over> ็นแต่ว uh ่าสภาวะธรรมคือความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงอีกต่อไปนี่จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วพอเห็นสภาวะนะสภาวะแยกตัวออกไปแล้วสภาวะจะแสดงใจรักแต่ถ้ามันไม่แสดงต้องช่วยมันก่อนเห็นไหมเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนถ้าอินทรีย์เขาแก่กล้าจิตเขาตั้งมั่นเป็นตัวรู้เด่นปุ๊บขึ้นมาขันเขากระจายออกไปเลยขันแสดงใจรักษเลยนี่พวกที่ พวกนี้เคยเดินปัญญามาก่อนแล้วเราไม่ได้ปฏิเสธชาติก่อนชาติโน uh! ้นชาตินี้หรอกนะแต่ว่าไม่ใช่คนเดิมนะจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปไม่ใช่คนเก่ามาเกิดหรอกจิตดวงใหม่มันก็เหมือนลูกของจิตดวงเก่าลูกไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ใช่ไหมคนละคนกันแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันมาจิตก็เหมือนกันนะเกี่ยวเนื่องกันมาแบบนี้ไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ดวงเดิมแต่เกี่ยวเนื่องกับจิตดวงเดิมต่อกันมาเป็นทอดทอดทอดเหมือนลูกกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ย งันเบื้องต้นถ้าถ้าตั้งจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วรู้ทันว่าจิตไปคิดแล้วจิตเป็นผู้รู้ตั้งมั่นแล้วขันไม่แยกก็จงใจแยกขันค่อยๆนั่งสมาธินั่ ง, งดูมันไปอย่างเงี้ยก็เห็นในร่างกายเป็นของถูกรู้นั่งไปนานๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเห็นเลยความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ร่างกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกมาในกายแก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่จิตด้วยปวดเมื่อยมากๆจิตทุรนทุรายขึ้นมาก็าาเห็นอีก ความทุรนทุรายนะไม่ใช่ร่างกายความทุรนทุรายไม่ใช่ความปวดเมื่อยทางกายความทุรนทุรายก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอีกนี่หัดแยกงั้นเบื้องต้นถ้าถ้ามันไม่แยกเองนะไม่แยกขันเองจงใจแยกก็แยกมันไปพอแยกได้แล้วขันแต่ละขันนั่นแหละจะสอนธรรมะเราการเดินปัญญาที่แท้จริงมันจะเริ่มต้นตรงที่เราแยกขันได้แล้วก็เห็นแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละคือวิปัสสนากรรมฐานนะนะ พอเห็นมากข้ามากข้าในที่สุดจิตมันสรุปได้ว่าไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในจิตไม่มีเราในที่ใดเลยในขันหานี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือขันหานี้ถ้าเห็นใจมันยอมรับความจริงอย่างแจ่มแจ้งตงัวนี้คือพระโสดาบันละเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะเป็นเพื่อมาได้ก็เพราะมารู้รูป ร, ร, รู้นามตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์นี้แหละจะรู้ได้ก็จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู ถ้าจิตตั้งมั่นไม่ได้จิตฟุ้งซ่านมากทําความสงบมาสงบแล้วมาฝึกรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วดูธาตุดูขันมันทํางานถ้ามันไม่ทําช่วยมันคิดพิจารณาก่อนแยกธาตุแยกขันเชื่อมันคิดเอาเพนะฉนั้นเบื้องต้นก็ต้องจงใจไว้ก่อนไม่ใช่ทักไม่ทําอะไรเลยแต่เบื้องปลายนี่เป็นกลางจริงนะไม่ได้เข้าไปแทรกแทงเลยขันมันทํางานเองก่อเลย แล้วจะเห็นในสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเสมอกันหมดเลยเนี่ยความเป็นกลางมันมาเกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญญาแล้วนี่แหละนะถ้ายังไม่มีปัญญาไม่เข้ามาสู่ความเป็นกลางนั้นอยู่ๆไม่เป็นกลางหรอกนะต้องฝึกนะศีล ส, สมาธิปัญญาฝึกมากเข้ามากเข้าอากุศลก็ถูกละกุศลก็เจริญจิตก็ผ่องใสขึ้นเรื่อยๆด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาเป็นเครื่องรักษานะในสุดปัญญาเกิดในใจก็ปล่อยก็าวางไปนะความสุขเกิดขึ้นปัญญารู้ว่าชั่วคราวเป็นกลาง ความทุกข์เกิดขึ้นปัญญาก็รู้ว่าชั่วคราวว่าเป็นกลางไม่กลางอย่างนี้ไม่ปรุงต่อเป็นผลของการที่เราเดินปัญญามาอย่างเข้มแข็งแนละ้วนั้นอยู่่ไม่กลางหรอกน ะ, ะเชิญไปทานข้าว